6. ปัทมาสิกขาสูตรว่าด้วยไตรสิกขาสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150้ท่วนที่กุลบุตรผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษาอยู่มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับทุกกึ่งเดือนสิกขาสามประการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบท150นั้นทั้งหมด สิกขาสามประการอะไรบ้างคือหนึ่งอธิศีลสิกขา 2. อธิจิตตสิกขาสอธิปัญญาสิกขาสิก ข, า ส, ขาสามประการ น, นี้แลเป็นที่รวมของสิกขาบทร้อยห้านั้นทั้งหมดภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณ มีปกติรรมปัญญาพอประมาณภิกษุนั้นล่วงละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้างออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในการต้องอาบัตและการออกจากอาบัตเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นคนไม่เหมาะสมแต่สิกขาบทและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น ศึกษาในสิขาบททั้งหลายเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเธอจึงเป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีแต่ความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธในวันข้างหน้าภิกษุในธรรมวิไนนยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณ ภิกษุนั้นล่วงละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้างออกจากอบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในการต้องอบัตและการออกจากอบัตเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นคนไม่เหมาะสมไว้แต่สิกขาบทเหลา่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์สมควรแก่พรหมจรรย์ภิกษุนั้นมีศีลประจําตัวและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้น สมทานศึกษาสิกขาบททั้งหลายเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเธอจึงเป็นสกทาคามีมาสู่โลกอีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์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 และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเพราะสังโยชน์เบื้องต่หํห5ประการสิ้นไปเธอจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพานในภพนั้นไม่หวนกลับมาในโลกนั้นอีกภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์มีปกติรำปัญญาให้พอประมาณ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 สมถานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำได้เพียงบางส่วนย่อมให้สำเร็จได้บางส่วนผู้ทำได้บริบูรย่อมสำเร็จได้บริบูรด้วยประการชนนี้แล เรากล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายไม่เป็นหมันเลยปัทมาสิกขาสูตรที่6จบ 7. ทุติยสิกขาสูตรว่าด้วยไตรสิกขาสูตรที่สองแิภิกษุทั้งหลายสิกขาบท150ยห้ท่วนที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษาอยู่ มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับทุกกึ่งเดือนสิกขา3าประการนี้เป็นที่รวมของสิกขาบท1้0ยนั้นทั้งหมดสิกขา3ประการอะไรบ้างคือ 1. อธิศีลสิกขา 2. อธิจิตตสิกขา 3. อธิปัญญาสิกขาสิกขา3าประการนี้แลเป็นที่รวมของสิกขาบทร้0นั้นทั้งหมด ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิพอประมาณมีปกติทำปัญญาพอประมาณภิกษุนั้นล่วงละเมิดสิกขาบทเล็กน้อยบ้างออกจากอาบัตบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในการต้องอบัตและการออกจากอาบัตเล็กน้อยนี้เราไม่กล่าวความเป็นคนไม่เหมาะสมไว้ แต่สิกขาบทเล่าใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์สมควรแก่พรหมจันทร์ภิกษุนั้นมีศีลประจำตัวและมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเล่านั้นสมทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเธอจึงเป็นสัตตคขัดตุปรมมโสดาบันท่องเที่ยวไปในเทวดา และมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้งแล้วทําที่สุดแห่งทุก์ได้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเธอจึงเป็นโกลังโกละโสดาบันท่องเที่ยวไปสู่ตระกูลสองหรือสามตระกูลแล้วทําที่สุดแห่งทุก์ได้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเธอจึงเป็นเอภีโสดาบันเกิดเป็นมนุษย์ อีกเพียงพบเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้เพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคาโทสะโมหะเบาบางเธอจึงเป็นสักธาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้ภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์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 และมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นถือปฏิบัติศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอุดทังโสโตอกคนิทคามีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอสังขารปารินิพพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็น อุปหัจจะปารินิพายีเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำหาประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตาราปาินิพายีอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้มีปกติทำศีลให้บริบูรณ์มีปกติทำสมาธิให้บริบูรณ์มีปกติทำปัญญาให้บริบูรณ์ภิกษุนั้นล่วงละเมิดศิษยาบทเล็กน้อยบ้างออกจากอาบัตบ้าง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 เธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอสะวะเพราะอสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำได้เพียงบางส่วนย่อมสำเร็จได้บางส่วนผู้ทำได้บริบูรณ์ย่อมสำเร็จได้บริบูรณ์ด้วยประการชนี้เรากล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายไม่เป็นมันเลยทุติยสิกขาสูตรที่เจ็ 8. ตาติยาสิกขาสูตรว่าด้วยการบาเพ็ญไตรสิกขาสูตรที่3 89. ภิกษุทั้งหลายสิกขาบทร้0ยห้ท่วนที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ปรารถนาประโยชน์ศึกษาอยู่มาถึงวาระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้ อ, ขอ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 แต่สิขาบทเลาใดเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจันทร์สมควรแก่พรหมจันทร์พิษุนั้นมีศีลประจาตัวและมีศีลมั่นคงในสิขาบทเหล่านั้นสมทานศึกษาในสิขาบททั้งหลายเธอทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอสวะเพราะอสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันหรือ เมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัสนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำหประการสิ้นไปหรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัสนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำา้ประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตระปรินิพายีหรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัสนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไป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 หรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัสนั้นเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้ประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอุดทางโสโตโอกนิทคามีหรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัสนั้นเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางเธอจึงเป็นสกทาคามีมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียว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 ก็จะทำที่สุดแห่งทุก์ได้หรือเมื่อยังไม่บรรลุยังไม่รู้แจ้งอรหัสนั้นเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเธอจึงเป็นสัตตะขัดตุปรามาโสดาบันท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์อย่างมากเจ็ดครั้งก็จะทําที่สุดแห่งทุก์ได้ภิกษุทั้งหลายภิกษุพูดทำได้บริบูรณ์ย่อมให้สําเร็จได้บริบูรณ์ ผู้ทำได้เพียงบางส่วนย่อมให้สำเร็จได้บางส่วนด้วยประการชนิแลเรากล่าวว่าสิกขาบททั้งหลายไม่เป็นหมันเลยตัติยะสิกขาสูตรที่8จบ